แล้วพวกโยมจะพากันไปไหนละ่ะไม่ไปกราบหลวงพ่อพร้อมๆกันหรือพระเจริญเหลียวหลังไปถามเมื่อเห็นโยมกลุ่มที่มากับท่านกําลังเดินแยกออกไปทางขวาพวกผมต้องไปหาที่ปลดทุกข์ก่อนครับอันกันมาตั้งสองสามชั่วโมงแล้วเขาบอกมันจะทนไม่ไหวแล้วจะท่านปเดี๋ยวพวกฉันค่อยตามไป สตรีที่มาในกลุ่มโอดครวนท่าทางหล่อนดูเหมือนจะอั้นไม่ไหวอีกต่อไปถ้าเช่นนั้นอาตามาจะยืนรอพวกโยมอยู่ตรงนี้แหละเรียบร้อยเมื่อไหร่ค่อยไปพร้อมๆกันท่านพูดพลางถือโอกาสวางกระเป๋าสองใบลงกับพื้นเหลืออีกประมาณสิบว่าจะถึงกุฏิหลวงพ่อเดิมคนกลุ่มอื่นๆกำลังเดินตรงไปที่นั่น งั้นพวกเราก็รีบๆเข้าประเดี๋ยวท่านจะรอนานคนเป็นผู้นำบอกพรรคพวกคนเป็นพระยืนรออยู่ประมาณ15ห้านาทีพวกยมก็พร้อมและพากันไปยังกุฏิท่านสมภารถึงแล้วจึงพากันนั่งต่อแถวพวกที่มาถึงก่อนพระหนุ่มสังเกตว่าผู้คนที่มาต่างพากันเช่ามีดหมอบ้างนางกวักบ้างเหรียญบ้างแหวนบ้าง รูปหลวงพ่อเดิมบ้างเช่าแล้วก็นํามาให้ท่านเป่าท่านก็เป่าให้พร้อมกับพูดว่าเพียงดีเพียงดีครั้นได้ของตามที่ต้องการแล้วคนเหล่านั้นก็พากันทยอยออกไปพวกที่ต่อแถวรอยอยู่ก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งถึงแถวของกลุ่มโยมที่พระเจริญมาด้วยเมื่อได้เข้ามานั่งใกล้ๆ พระหนุ่มมองพระภิกษุตรงหน้าด้วยความรู้สึกหลายอย่างอย่างแรกคือเลื่อมใสศรัทธาอย่างที่สองเคารพยำเกรงและประการสุดท้ายคือต้องการฝากความหวังไว้กับท่านความหวังที่จะให้ท่านทำพิธีลาศิกขาและบอกคาถาทำให้ผู้หญิงรัก ลุงพ่อเดิมนั่งตัวตรงดูเด่นเป็นสง่า ย, ยุบนอาสนะรูปร่างท่านสูงใหญ่แบบนักกรบสมัยโบราณผิวค่อนข้างขาวแม้จะเหี่ยวย่นด้วยความชราทว่าก็ดูมีราศีหากไม่รู้มาก่อนว่าท่านอายุร้อยสามปีพระเจริญก็คงคิดว่าท่านอายุประมาณเจ็ดสิบเศษและที่น่าแปลกก็คือในตาของท่าน ดูสุขใสราวกับในตาของเด็กพระหนุ่มก้มลงกราบเบญจางคปาพระดิษสามครั้งครั้นเงยหน้าขึ้นตาประสานตารูปที่หนุ่มกว่ารู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวด้วยว่าในตาที่ดูเหมือนตาเด็กคู่นั้นกลับมีพลังอำนาจลึกลับน่าเกรงขามจนท่านต้องเบนสายตาลงมองพื้น คุณมาอย่างไรละ่ะลุงพ่อเดิมถามภิกษุตรงหน้าท่านกล้ากระผมมากับโยมเขาขอรับมารถไฟจากลบบุรีพระหนุ่มตอบเห็นท่าทางพระหนุ่มดูประมาโยมคนที่มาด้วยจึงช่วยอธิบายว่าลุงพี่ท่านมาจากลบบุรีครับเจอกันบนรถไฟโดยบังเอิญพวกผมขึ้นที่สถานีบ้านมีเพอท่านทราบว่า กผมจะมานมัส ก, การหลวงพอ่อท่านก็ขอมาด้วยไม่ได้รู้จักกันมา ก, ก่อนโยมคนนั้นฉลาดพอที่จะเอาตัวรอดได้เขายัางไม่รู้ว่าภิกษุที่ขอมาด้วยเป็นใครมาจากไหนหากท่านไปทำอะไรที่ไม่ชอบมาพากล ค, ความผิดนั้นจะได้ไม่ตกมาถึงตัวเขาหลวงพ่อเดิมเข้าใจความรู้สึกของโยมผู้นั้นขณะดยวกัน ท่านก็รู้อดีตปัจจุบันตลอดไปถึงอนาคตของภิกษุที่นั่งตรงหน้าคุณมาจากอารามไหนท่านถามพระเจริญกล่าวกระผมมาจากวัดพรมบรุรีจังหวัดสิงห์บุรีขอรับพระหนุ่มตอบพยายามพูดให้สุภาพที่สุด คุณเดินทางมาถึงนี่ก็เพื่อจะมาสึกกับเรียนคาถาทำให้ผู้ยิ้งรักเท่านั้นหรอกหรือพระเจริญสดุง้งที่ภิกษุชราล่วงรู้ความในใจของท่านแม้จะอายหากศรัทธาประสาทะที่มีต่อลุงพ่อเดิมก็เพิ่มพูนขึ้นท่านตอบเสียงอ่อยๆว่า ขอรับกล้าวกระผมต้องการสองอย่างนี้เท่านั้นกล้าวกระผมรู้สึกเบื่อหน่ายพิขุภาวะเต็มที่แล้วพระหนุ่มสารภาพเพราะคุณเกลียดพระแต่กล้ากระผมไม่เกลียดหลวงพ่อท่านกล่าวแก้ถ้าคุณเห็นพระไม่ดี เพียงรูปเดียวหรือหลายรูปแล้วคุณก็รีบสรุปว่าพระเลวทุกรูปคุณจึงเกลียดพระฝังใจการคิดเช่นนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งความดำ m ริไว้ผิดท่านพูดเสียงเนิบเนิบ พระเจริญไม่รู้ที่จะเถียงท่านว่ากระไรจึงนิ่งเสียคุณไม่ต้องไปถึงพิศณุโลกหรอกที่นั่นไม่มีใครทำพิธีศึกให้คุณได้พระหนุ่มต้องแปลกใจอีกครั้งที่ภิกษุชราล่วงรู้ความคิดของท่านจึงพูดอย่างนอบน้อมว่า กล่าวกระผมขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้ทำพิธีศึกเสที่วัดน้องโพในวันนี้เลยนะขอรับชาก่อนชาก่อนวันนี้ยังไม่มีฤกศึกเอาไว้พูดกันพรุ่งนี้ดีกว่าคุณมาเหนื่อยเหนื่อยไปพักผ่อนเสียก่อนเดี๋ยวฉันจะให้มัรนายก พาไปกุติที่พักครูเต่าช่วยไปดูสิว่ากุติหลังไหนวางอยู่จะให้อคันตุกะพักท่านสั่งมรนายกวัยหกสิบเศษที่นั่งอยู่เบื้องซ้ายมีกุติของท่านละอบ้างอยู่ครับท่านเพิ่งศึกไปเมื่อสองวันก่อน ครูเต่าผู้ทำหน้าที่มักคนา ย, ยกรายงานดีแล้วช่วยพาอาคันตุกะของฉันไปพักด้วยคุณตามครูเต่าไปนะตอนคำรงนามรงถาเสร็จคอยมาคุยกันทีนี่เชิญพักผ่อนตามสบาย ภิกษุวัยหนึ่งรยสามปีบอกอาคันตุกะครูเต่าช่วยภิกษุหนุ่มหิ้วกระเป๋าหนึ่งใบแล้วเดินนำท่านไปยังกุฏิหลังที่ว่างอยู่หลวงพ่อท่านดูแข็งแรงจังเลยนายโยมนะอาตมานึกว่าท่านอายุสักเจ็ดสิบเศษแต่โยมที่มาด้วยเล่าให้ฟังว่าท่านอายุร้อยสามปีแล้วพระเจริญชวนคุยขึ้นก่อน แต่ท่านก็เดินไม่ไหวแล้วล่ะครับเวลาไปไหนมาไหนต้องนั่งเกวียนเล็กๆมีเน้นคอยลากไปท่านนั่งเกวียนมาได้สามปีเขานี่แล้วมรณาโยกบอกพระเจริญโยมเป็นมัรนายกวัดนี้มานานแล้วหรือคนเป็นพระถามเขาปีที่ห้าแล้วล่ะครับตั้งแต่ผมกเกษียนใหม่ๆ พอดีพ่อผมสึ่งเป็นอยู่ก่อนแกเสียชีวิตผมก็เลยเป็นแทนปู่ผมก็เป็นมคณาโยกวัดนี้ตั้งสิบกว่าปีพอปู่ตายพ่อก็เป็นแทนพอพ่อตายผมก็เป็นแทนแต่ถ้าผมตายก็คงสินสุดกันแค่นี้เพราะผมไม่มีทายาท ที่จะมาสืบถอดตําแหน่งบุรุษวยัยหกสิบเศษบอกความเป็นไปขอประทานโทษที่ว่าไม่มีทายาทเพราะโยมไม่มีครอบครัวหรืออย่างไรคนเป็นบรรพชิตอยากรู้นี่ครับผมแต่งงานตั้งแต่ตอนเป็นครูใหม่ๆแต่ไม่มีลูกเพราะผมเป็นมันก็ดีไปอย่าง จะได้ไม่ต้องมีเวรกรรมกับใครเงินทองหามาได้ก็ทําบุญหมดเราไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมตายก็เอาไปไม่ได้ครูวัยหกสิบเศษพูดโปร ง, ปงเมื่อมาถึงกุฏิเขาจัดการปัดกวาดและถูพื้นจนสะอาดแล้วจึงนิมนต์พระหนุ่มขึ้นไปพักผ่อนพระเจริญจึงให้ศีลให้พร ในความเอื้อเฟื้อของเขาผมต้องขอตัวไปคอยรับใช้หลวงพ่อก่อนนะครับเขาบอกพลางกราบท่านสามครั้งและจึงลุกออกไปเมื่ออยู่ตามลําพังพระเจริญจึงจัดการเข้าของให้เรียบร้อยตามนิสัยคนรักความเป็นระเบียบจากนั้นจึงส่งน้ำชําระร่างกายให้สดชื่นส่งน้ำเสร็จ ท่านจึงเริ่มลงมือจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ออกจากบ้านยมยายกระทั่งมาถึงวัดหนองโพแห่งนี้จดบันทึกเสร็จยังเหลือเวลาอีกนานกว่าจะค่ำท่านจึงถือโอกาสออกไปเดินสำรวจรอบๆวัดเพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เมื่อภิกษุหนุ่มมานั่งต่อหน้าเจ้าอาวาสอีกครั้งภิกษุชราเพ่งมองเขาอย่างพินิษท่านรู้ว่าเขาจะต้องครองผ้ากาสวะต่อไปจนตลอดชีวิตและจะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระาศาสนาตัวท่านรอคอยมาช้านานคอยลุกสิทธิ์ที่จะมารับถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆ ไม่มีใครเหมาะสมพอที่จะรับถ่ายทอดนอกจากภิกษุหนุ่มที่นั่งอยู่เบื้องหน้าของท่านแต่ขณะนี้เขายังสับสนเพราะถูกอารมณ์ทั้งโลกเข้าครอบงำเปรียบเหมือนช้างพลายที่กำลังตกมันไม่มีใครหยุดยั้งได้ต้องรอให้เขาสงบลงกว่านี้จึงค่อยถ่ายทอดวิชาให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อขอรับ กล่าวกระผมอยากทราบฤกษ์ศึกจะศึกเวลาเท่าไหร่ดีขอรับพระหนุ่มทวงถามทันทีที่กราบท่านสามครั้งวันนี้ยังไม่มีฤกต้องรอพรุ่งนี้คือคำตอบกล่าวกระผมขอฤกษ์พรุ่งนี้นะขอรับ พระหนุ่มยังคงเศร้าซีฤกษพรุ่งนี้ก็ต้องรอพรุ่งนี้วันนี้ไม่มีฤกิกหลวงพ่อเดิมพูดเหมือนเดิมพระหนุ่มจนปัญญาที่จะตอบปากตอบคำจึงได้แต่นั่งทำตาปริบ ป, ปริบกระนั้นก็ให้กำลังใจตัวเองว่าใจเย็นเข้าไว้เย็นไว้ไงไง ก็ได้สึกวันยังค่ำนั่นแหละรออีกวันเดียวคงไม่ถึงตายหลวงพ่อเมื่อยไม่ขอรับกล่าวกระผมจะช่วยนวดให้พระเจริญหาวิธีทำให้ท่านเมตตาดีเหมือนกันพระละ อ, อสึกออกไปเสร็จแล้วท่านเลยหาคนนวดไม่ได้คุณช่วยนวดให้หน่อยเถอะ ลุงพ่อเดิมขอแรงพระหนุ่มจึงลงมือนวดให้ท่านอย่างตั้งอกตั้งใจสมภารวัดหนองโพรู้สึกผ่อนคลายและลงความเห็นว่าฝีมือการนวดของพระรูปนี้ดีกว่าพระละอ่อหลายเท่านักเวลาผ่านไปสามชั่วโมงลุงพ่อเดิมหลับไปได้สามตื่นในที่สุดจึงอนุญาตให้พระหนุ่มกลับกุฏิได้ พระเจริญไม่วายทวงสัญญาหลุงพ่อขอรับกล้าวกระผมจนลาสิกขาในวันพรุ่งนี้นะขอรับไม่มีคำตอบจากหลุงพ่อเดิมพระหนุ่มจึงกราบท่านสามครั้งแล้วเดินกลับกุฏิภิกสุชาราแอบพูดในใจว่าพอหนุ่มเอ้ยยังไงยังไงเองก็ไม่ได้สึง ับถึงกุฏิท่านแล้วพระเจริญก็รื้อชุดคาราวาสออกมาลองใส่กางเกงสีเปลึกมังคุดขับไปนิดหนึ่งท่านคงจะอ้วนขึ้นเสื้อฮาวายตัวหลวมกำลังพอดีใส่ชุดคาราวาสแล้วท่านก็สวมใส่สร้อยผูกนาฬิกาไวเลอร์และที่จะลืมไม่ได้คือใส่แหวนเพชรท่านบรรจงสวมแหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้าย เมื่อต้องแสงแตะเกียงเพชรเม็ดงามส่องปรกกายวูบวาบเสียดายที่ในห้องไม่มีกระจกมิฉะนั้นท่านจะส่องดูความหล่อเหลาของตัวเองแม้ประยงเห็นเข้าคงจะตื่นเต้นยินดีเป็นที่สุดพระหนุ่มลุกขึ้นเดินไปมาอยู่คนเดียวต้องซ้อมเดินเอาไว้ประเดี๋ยวจะเดินไม่สวยด้วยว่า น, นุ่งผ้าเหลืองมาหลายเดือน เวลาเดินรู้สึกโปร่งโปร ง, งโล่งโลงสบายเนื้อสบายตัวครั้นมนุ่มกางเกงมันรู้สึกขัดขัดเขินๆจึงต้องหัดเดินให้สวยเข้าไว้สึกแล้วเราคงจะต้องอยู่ที่นี่อีกสักระยะหนึ่งเพื่อเรียนคาถาทำให้ผู้หญิงรักท่านคิดวางแผนอนาคตได้คาถาแล้วจึงค่อยกลับบ้านแล้วจัดผู้ใหญ่ ไปสู่ขอแม่ประยงขอมั่นไว้ก่อนจากนั้นอีกสามสี่เดือนค่อยจัดพิธีแต่งงานต้องทิ้งช่วงให้ผมยาวเสียก่อนจะได้ดูไม่น่าเกลียดแล้วปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อนึกไปถึงเรื่องเรือนหอแต่งงานแล้วเราจะอยู่กับใครละ่ะยมนวลแกมปมนลูกสาวคนเดียวคงไม่ยอมให้ออกจากบ้านมาอยู่กับเราอีกอย่าง บ้านช่องแกออกใหญ่โตโอโงุงเราคงพายลมยายมาอยู่ด้วยได้อ๋อแล้วนางจำแรงขี้เมาจะเอาไปไว้ที่ไหนจะหอบหิ้วมาด้วยก็กลัวว่าทางฝ่ายแม่ปริยงเขาจะดูแคลนเอาครั้นจะอ้างว่าเอามาไว้เลี้ยงหลานเราก็ไม่อยากให้มันเลี้ยงลูกเรากลัวว่าจะเมาจนทาลูกเราตกบ้านคอหักตายหรือไม่ ก็เอาเล่ากรอกปากลูกเราลูกเราก็เลยกลายเป็นคนขี้เล่าเหมือนป้าของมันโยมพ่อกับโยมแม่กําลังจะย้ายไปอยู่ตลาดปากบางเพื่อหนีโจรผู้ร้ายถ้ายังไงเราก็ส่งนางจงําแลงไปอยู่กับโยมพ่อโยมแม่ก็ได้พระหนุ่มนึกวาดภาพอนาคตไปตามใจของท่านขณะเดินกลับไปกลับมาอยู่ในห้องภายในกุฏิ ในที่สุดจึงเปลี่ยนจากชุดคารวาสมาเป็นชุดบรรพชิตดังเดิมแล้วจึงเริ่มไหว้พระสวดมนต์สวดถูกๆผิดๆไปตามเรื่องเพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมานั่งจดนั่งจำไหนๆก็จะสึกแล้วจะจดจำไปทาไมให้ป่วยการสวดมนต์เสร็จจึงล้มตัวลงนอนไม่ลืมที่จะนอนกรรมฐานดังที่หลวงพ่อภูลสอน คือนอนกำหนดลมหายใจเข้าออกไปจนกว่าจะหลับเมื่อหายใจเข้ากำหนดว่าพุทธหายใจออกกำหนดว่าโทพระหนุ่มนอนกำหนดพุทโทพุทโทไปเรื่อยๆก็ยังไม่รู้สึกง่วงจึงเปลี่ยนคําบริกรรมจากพุทโธเป็นประยงเมื่อหายใจเข้ากำหนดว่าปะ หายใจออกกำหนดว่ายงท่านนอนกำหนดประยงประยงครู่เดียวก็หลับอย่างมีความสุขใบหน้าแม่ประยงมาวนเวียนอยู่ในมโนนึกเวลาตีห้าพระเจริญตื่นขึ้นล้างหน้าแปลงฟันและเตรียมตัวออกบินทบาทท่านไม่คุ้นเคยกับสถานที่แห่งใหม่หาก็คิดว่า จะเดินตามพระรูปอื่นๆออกไปเห็นภิกษุที่อยู่กุฏิตรงข้ามกำลังจะออกเดินทางท่านจึงเดินไปหายกมือไหว้และพูดว่าหลวงพี่ครับผมขอตามไปบิณฑบาตด้วยคนผมพระใหม่เพิ่งมาเมื่อวานจึงยังไม่รู้เส้นทางคุณมาจากอารามไหนหลวงพี่รูปนั้น ใช้คำถามเดียวกับหลวงพ่อเดิมคงจะเป็นเพราะอยู่วัดเดียวกันกระมังหรือไม่คำถามแบบนี้ก็เป็นแบบฉบับของวัดนี้พระหนุ่มคิดผมมาจากวัดปรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับพระเจริญตอบแบบเดียวกับที่ตอบหลวงพ่อเดิมงั้นก็ออกเดินทางได้หลวงพี่รูปนั้นเดินพระหนุ่มเดินตาม เวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงภิกษุสองรูปก็กลับถึงวัดพร้อมอาหารหวานขาวเต็มบาทแล้วหลวงพ่อเดิมท่านฉันยังไงใครบินทบาทเพื่อท่านหรือเปล่าพระเจริญเป็นห่วงสมพานท่านไม่ได้บินทบาทมาสามปีแล้วตั้งแต่ท่านเดินไม่ได้แต่มีญาติโยมนำมาถวายที่กุฏิทุกวันท่านไม่อดไม่อยากกรอก จากนั้นภิกษุสองรูปจึงแยกกันกลับกุฏิของตนเพื่อฉันพัตหารพระเจริญล้างมือล้างเท้าให้สะอาดและไม่ลืมที่จะพิจารณาบิณฑบาตก่อนลงมือฉันนึกรำคาญกับภิกขุภาวะที่ต้องสำรวมทุกอย่างแม้จะฉันเข้าไปแต่ละมือ้อก็ต้องพิจารณาอาหารก่อนจึงจะฉันได้ สู้เป็นขฤรืหัดไม่ได้นึกอยากกินเมื่อไหร่ก็กินเมื่อนั้นดึกดื่นเที่ยงคืนอย่างไรก็ไม่มีข้อห้ามข้อจํากัดเป็นพระนี่ไม่ดีเลยน่าอึดอัดระอาเป็นที่สุดวันนี้แหละท่านจะได้พ้นจากภิกขุภาวะอันน่ารำคาญเสียที